ย่างเข้ายามที่สองแห่งราตรีลมเย็นพัดผ่านมาเป็นครั้งคราวรอบรอบอุทยานสารวันเตียกชุ่มไปด้วยอสุชนทาราแห่งมหาชนผู้เศร้าสลดสุดประมาณเขาหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความรักและรันทดใจพระจันทร์วันเพ็นแห่งเดือนวิสาขะโผล่พ้นเหนือทิวไม้ทั้งทิศตะวันออกแล้ว โตเต็มดวงสาดแสงสีนวลใหญ่ลงสู่อุทยานสารวันพรมไปทั่วบริเวณมณฑลต้องใบาสาละซึ่งไหวน้อ ย, อยดูงามตาแต่บรรยากาศในยามนี้สลดเกินไปที่ใครๆจะสนใจกับความงามแห่งแสงโสมที่สาส่องเหมือนจงใจจะบูชาพระสรีระแห่งจอมาศาสดานั้น เงียบสงบวังเวงจะได้ยินอยู่บ้างก็คือเสียงสะอึกสะอื้นและทอดถอนใจของคนบางคนที่เพิ่งมาถึงท่ำกลางบรรยากาศดังกล่าวนี้นักบวชเพศปริภาชกหนุ่มคนหนึ่งขออนุญาตผ่านฟูชนเข้ามาเมื่อเข้ามาใกล้เขาบอกว่าขอเฝ้าพระศาสดาพระอนุลได้สดับเสียงนั้นจึงออกมารับ และขอร้องวิงวอนว่าอย่ารบ ก, กวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยข้าแต่ท่าน อ, อ น, นุนปริพาชกผู้นั้นกล่าวข้าพเจ้าขออนุญาตเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามข้อข้องใจบางประการขอท่านได้โปรดอนุญาตเถิดข้าพเจ้าสุพัทธะปริพาชกยาเลยสุพัทธะ ท่านอย่ารบกวนพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระองค์ทรงลําบากพระวรากายมากอยู่แล้วพระองค์ประชวรหนักจะปรินิพานในยามสุดท้ายแห่งราตรีนี้แน่นอนท่านอนนุนสุพัทธ์วาวรต่อไปโอกาสของข้าพเจ้าเหลือเพียงเล็กน้อยขอท่านอาศัยความเอ็นดูโปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าเฝ้าพระาศาสดาเถิดพระอนุ น, น คงทัดทานอย่างเดิมและสุภัททะก็อ้อนวอนครั้งแล้วครั้งเล่าไม่ยอมยออ่อท้อจนกระทั่งได้ยินถึงพระศาสดาเรื่องก็เป็นไปอย่างที่เคยเป็นมาพระศาสดามีพระมหากรุณาอันไม่มีที่สิ้นสุด รับสั่งกับพระ อ, อ น, นุ์ว่า อ, อ น, นุนให้สุพัท ธ, ธะเข้ามาหาเราเถิดเพียงเท่านี้สุพัท ธ, ธะปริภาชกก็ได้เข้าเฝ้าสมประสงค์เขากราบลงใกล้เตียงบรรทมแล้วทูลว่าข้าแต่พระจอมุนีข้าพระองค์นามว่าสุพัท ธ, ธะถือเพศเป็นปริภาชกมาไม่นาน ได้ยินกิตติศัพท์เล่าลือเกียรติคุณแห่งพระองค์แต่ก็หาได้เคยเข้าเฝ้าไม่บัดนี้พระองค์จะดับขันปรินิพานแล้วข้าพระองค์ขอประธานโอกาสซึ่งมีอยู่น้อยนี้ทูล ถ, ถามข้อข้องใจบางประการเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังถามเถิดสุภัททะพระาศาสดาตรัสพระองค์ผู้เจริญคณาจารย์ทั้งหคือ ปุรณะกสปะมัคลิโคสารอชิตเกตกำพลปกุท ธ, ธะกัจจายนะสัญชัยเวทัะบุตรและนิคนนาตบุตรเป็นศาสดาเจ้าลัทธิที่มีคนนับถือมากเคารพบูชามากศาสดาเหล่านี้ยังจะเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือประการใดเรื่องนี้หรือสุพัทธะ ที่เธอดิ้นรนขนขวายพยายามมาหาเราด้วยความพยายามยิ่งยวดพระศาสดาตรัสอย่างหลับพระเนตรอยู่เรื่องนี้เองพระเจ้าข้าสุพัทธาทูลรับพระอานุนรู้สึกกระวนกระวายทันทีเพราะเรื่องที่สุพัทธามารบ ก, กวนพระศาสดานั้นเป็นเรื่องที่ไร้สาระลือเกินขณะที่พระอนุนจะเชิญสุพัทออกจากที่เฝ้านั้นเอง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 สังขารที่เที่ยงมีอยู่หรือไม่สุพัทธ์รอยเท้าในอากาศนั้นไม่มีศาสนาใดไม่มีมกักมีองค์แปดสมณะผู้สงบถึงที่สุดก็ไม่มีในศาสนานั้นสังขารที่เที่ยงนั้นไม่มีเลยสุพัทธปัญหาของเธอมีเท่านี้หรือมีเท่านี้พระเจ้าข้าสุพัทธ์ทูลแล้วนิ่งอยู่พระพุทธองค์ ผู้ทรงอนาวรณยานทรงทราบอุปนิสัยของสุพัทธะแล้วจึงตรัสต่อไปว่าสุพัทธะถ้าอย่างนั้นจงตั้งใจฟังเถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังแต่โดยย่อดูก่อนสุพัทธะอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปดเป็นทางประเสริฐสามารถให้บุคคลผู้เดินไปตามทางนี้ถึงซึ่งความสุขสงบเย็นเต็มที่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 สุพัทธะฟังพระพุทธดำรัสนี้แล้วเลื่อมใสทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ที่เคยเป็นนักบวชในศาสนาอื่นมาก่อนถ้าประสงค์จะบวชในศาสนาของพระองค์จะต้องอยู่ติดทิยะปริวาสคือบาเพ็ญตนทำความดีจนภิกษุทั้งหลายไว้ใจเป็นเวลาสีเดือนก่อนแล้วจึงจะบรรพชาอุปสมบทได้ นี้เป็นประเพณีที่พระองค์ทรงตั้งไว้เป็นเวลานา น, านมาแล้วสุพัทธาทูลว่าเขาพอใจอยู่บำรุงปฏิบัติภิกษุทั้งหลายสักสี่ปีพระศาสดาทรงเห็นความตั้งใจจริงของสุพัทธดังนั้นจึงรับสั่งให้พระอานตน์นำสุพัทธ์ไปบรรพชาอุปสมบทพระอา น, นุ์รับพุทธบัญชาแล้วนำสุภัทไปณที่ส่วนหนึ่ง ลงผมและหนวดแล้วบอกกรรมฐานให้ให้ตั้งอยู่ในสารณคมและศีลสําเร็จเป็นสำมเนินบรรพชาแล้วนํามาเฝ้าพระาศาสดาพระผู้ทรงมหากรุณาให้อุปสมบทแกสุพัทธ์เป็นภิกษุโดยสมบูรณ์แล้วตรัสบอกกรรมฐานอีกครั้งหนึ่งสุพัทธภิกษุใหม่ตั้งใจอย่างแน่วแน่ ว, ว่าจะพยายาม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 จงกลมนั้นคือเดินกลับไปกลับมาพร้อมด้วยพิจารณาข้อธรรมนำมาทำลายกิเลสให้หลุดล่วงบัดนี้ร่างกายของสุภัทถภิกษุหอหุ้มด้วยผ้ากาสาวพัดเมื่อต้องแสงจันทร์ในราตรีนั้นดูผิวพรรณของท่านเปล่งปลั่งงามอัมภัยมัชมียามแห่งราตรีจวนจะสิ้นอยู่แล้ว ดวงรัชนีกลมโตเคลื่อนย้ายไปอยู่ทางท้องฟ้าด้านตะวันตกแล้วสุภัท ภ, ภิกษุตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะบำเพ็ญเพียรคืนนี้ตลอดราตรีเพื่อบูชาพระาศาสดาผู้จะนิพพานในปลายปัจฉิมยามดังนั้นแม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็ไม่ยออ่อท้อแสงจันทร์นวนผ่องสุกสกาวเมื่อครู่นี้ดูจะอับรัศมีลง สุพัท ธ, ธภิกษุแงนขึ้นดูท้องฟ้าเมฆก้อนใหญ่กำลังเคลื่อนเข้าบทบังแสงจันจนมิดดวงไปแล้วแต่ไม่นานนักเมฆก้อนนั้นก็เคลื่อนค้อยไปแสงโสมศาสองลงมานสว่างนวลดังเดิมทันใดนั้นดวงปัญญาก็พุ่งโพงขึ้นในดวงใจของสุพัท ธ, ธภิษุเพราะนำดวงใจไปเทียบด้วยดวงจันทร์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 อันเป็นประดุจตาข่ายด้วยศตราคือวิปัสนาปัญญาชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสาสวะทั้งมวลบรรุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วลงจากที่จงกลมมาถวายบังคมพระมงโคลบาทแห่งพระศาสดาแล้วนั่งอยู่สุภัทภภิกษุปั ช, ชิมะสาวกอรหันผู้นี้ ชื่อพรองกับสุพัทธาอีกผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุตรแห่งสหายของพระผู้มีพระภาคผู้มีนามว่าอุปกะมีประวัติเกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธองค์อันน่าสนใจยิ่งผู้หนึ่งดังนี้ นับถอยหลังจากนี้ไปส5้าปีสมัยเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆทรงดำริจะโปรดปัญจวัคคียอิสิปตนวิกขาย ะ, สะเสด็จดำเนินจากบริเวณโพธิมณฑลไปสู่แขวงเมืองพาราณสีในระหว่างทางได้พบอาชิวกะผู้หนึ่งนามว่าอุปกะอยู่ในวัยค่อนข้างชราแล้ว เขาเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเดินสวนทางไปจึงถามว่าสมณะผิวพรรณของท่านผ่องใสยิ่งนักอินทรีย์ของท่านสงบน่าเลื่อมใสท่านบวชในสำนักของใครใครเป็นศาสดาของท่านสหายพระศาสดาตรัสตอบเราเป็นผู้ครอบงำทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใหญ่ในตนเองเต็มที่ เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในทางธรรมเราหักกรรมแห่งสังสารจักเป็นเหตุให้เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วด้วยตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่วาเป็นาศาสดาอาชิวะกะได้ฟังดังนี้แล้วนึกดูมินอยู่ในใจว่าสมณะผู้นี้ช่างโอหังลบหลู่คุณของาศาสดาตน น่าจะลองถามชื่อดูเผื่อว่าจะมีคณาจารย์เจ้าลัทธิใหญ่ๆจะจําได้บ้างว่าเคยเป็นสิทธิของตนคิดอย่างนี้แล้วจึงกล่าวว่าสมณะที่ท่านกล่าวมานี้ก็น่าฟังอยู่ดอกแต่จะเป็นไปได้หรือคนที่รู้อะไรอะไรได้เองโดยไม่มีครูอาจารย์แต่ช่างเถิดข้าพเจ้าไม่ติดใจในเรื่องนี้นักดอกข้าพเจ้าปรารถนาทราบนามของท่าน เพื่อว่าพบกันอีกในคราวหน้าจะได้ทักทายกันถูกพระสากยมุนีผู้มีอนาคตังสยานทราบเหตุการณ์ภายหน้าได้โดยตลอดทรงคำนึงถึงประโยชน์บางอย่างในอนาคตแล้วตรัสตอบว่าสหายเรามีนามว่าอนันตชินท่านจำไว้เถิดอนันตชินอุปกะอุทาน ชื่อแปลกดีนี่และอุปการชิวกะก็เดินเลยไปพระศาสดาก็เสด็จบายพระพักไปสู่พระราศีอุปกาเดินทางไป ถึงหมู่บ้านพรานเนื้ออาศัยอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งใกล้หมู่บ้านนั้นตอนเช้าเขาเข้าไปพิกขาจานในหมู่บ้านพรานเนื้อนั้นหัวหน้าพรานเห็นเข้าเกิดความเลื่อมใสจึงอาราธนาให้มารับภิกษาที่บ้านของตนทุกๆเช้าอุปการับอาราธนาด้วยความยินดีแต่ซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ภายในตามวิสัยแห่งนักบวชผู้ยังมีความระอายอยู่ ต่อมาไม่นานในพราเนื้อจําเป็นต้องเข้าป่าใหญ่เป็นเวลาหลายวันเพื่อล่าเนื้อจึงเรียกลูกสาวมาแล้วกล่าวว่าสูชาวดีลูกรับพ่อจะต้องออกป่าเป็นเวลาหลายวันพ่อเป็นห่วงพระของพ่อคือท่านอุปการขอให้ลูกรับหน้าที่แทนพ่อคือตลอดเวลาที่พ่อไม่อยู่ขอให้ลูกถวายอาหารแก่ท่านแทนพ่อ ปฏิบัติบำรุงท่านเหมือนอย่างที่พ่อเคยทำเมื่อสุชาวดีสาวงามบ้านป่ารับคำของพ่อแล้วนายพรานก็เข้าป่าด้วยความโล่งใจรุ่งขึ้นอุ ป, ปะกะก็มารับภิกษาตามปกติสุชาวดีเชื้อเชิญให้นั่งบนเรือนแล้วถวายภิกษาอันประนีตสนทนาด้วยอาการยิ้มแย้มแจ่มใส อุปกะเห็นอาการของนางดังนั้นก็ยินดียิ่งนักเพราะท่านย่อมว่ามีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีใจอารีมีความยินดีที่จะสนทนาเปล่งวาจาไพเราะมีกริยาสุภาพเหลา่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้ตั้งใจครบมีหน้าตาจืดบึง้งไม่ยิ้มแย้มลืมความหลังมีกริยาอันน่าช่ง เอาความเสียไปนินทาเวลาสนทนาชอบนำเอาเรื่องคนอื่นมาพูดที่ยุ่งไปเหล่านี้เป็นเครื่องหมายของผู้ไม่ใช่มิตรสุชาวดีงามอย่างสาวบ้านป่าผมดกดำในตากลมโตใบหน้าอิ่มเ อ, อบิบมีเลือดฝาด มองเห็นชัดที่ผัวงแงมอุปกะมองเธอด้วยความรู้สึกกวนกระวายแม้อายุจะเยียบย่างเข้าสู่วัยชาราแต่ก็ยังตัดอะไรในเรื่องนี้ไม่ได้สุชาวดีอยู่ในวัยสาวและสวยสดเป็นดอกไม้ที่ไม่เคยมีแมลงตัวใดมากร่ำกลายนางสังเกตเห็นอาการของอุปกะแล้วก็พอจะร่วงรู้ถึงความปั่นป่วนภายในของนักพรต ไฉราแต่ด้วยมัญญาิแห่งเจ้าของบ้านอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งเป็นนักบวชที่บิดาเคารพนักถือนางจึงคงสนทนาภาทีอย่างละมุนละไมตามเดิมจริงทีเดียวสตรีสามารถเข้าใจวิถีแห่งความรักได้อย่างรวดเร็วแม้เธอจะไม่ชอบชายที่รักเธอแต่เธอก็อดภูมิใจไม่ได้ที่มีชายมารักหรือสนใจ แม้สุชาวดีจะเป็นเด็กสาวชาวป่าแต่เล่แห่งโลกีนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสัมสัตว์ที่พอจะเข้าใจได้มนุษย์และสัตว์เกิดมาจากกามคุณจึงง่ายที่จะเข้าใจในเรื่องกามคุณและจิตใจก็คอยดิ้นรนที่จะลงไปคลุกเคล้ากับกรมคุนนั้นเหมือนวานอนเกิดในป่าปลาเกิดในน้ำ ก็พยายามที่จะดิ้นรนเข้าป่าและกระโดดลงน้ำอยู่เสมอสตรีเปรีประดุดน้ามันบรุษเล้าก็อุปมาเหมือนเพลิงเมื่อเพลิงอยู่ใกล้น้ำมันก็อดที่จะลามเลียไม่ได้ในวันที่สองและวันที่สามอุปกะคงมารับภิกษาที่บ้านของสุชาวดีดังเดิมและอาการก็คงเป็นไปทํานองนั้น สุชาวดีตอนหนึ่งอุปกาถามขึ้นพอจะทราบไหมว่าคุณพ่อของเธอจะกลับวันไหนไม่ทราบพระคุณเจ้าสุชาวดีตอบก้มหน้าเอานิ้วขีดพื้นด้วยความขวยอายธรรมดาที่เคยไปก็ไม่เกินเจ็ดวันเธอคิดถึงคุณพ่อไหมอุปกาถามเพ่งมองสุชาวดียังไม่กระพริบตาคิดถึง สุชาวดีตอบคุณพ่อของเธอมีบุญมากอุปกาเปลยเรื่องอะไรพระคุณเจ้าสุชาวดีถามเงยหน้าขึ้นนิดหน่อยมีลูกสาวดีทำอาหารอร่อยอุปกาชมสุภาพเรียบร้อยอยู่ในโอวาทของบิดาสุชาวดีก้มหน้านิ่งคงเอานิ้วขีดไปขีดมาอยู่กับพื้นที่ชานเรือน แล้วก็อุปกะพูดต่อสุชาวดีสวยด้วยสวยเหมือนกล้วยไม้ในพงไพรสุชาวดีอ้าปากค้างไม่นึกว่านักพรไวัยสสห้าจะพูดกับเธอซึ่งรุ่นราวคราวลูกด้วยถ้อยคำอย่างนี้จริงๆนะสุชาวดีอุปกะยังคงพร่ำต่อไปฉันท่องเที่ยวไปแทบจะทุกหนทุกแห่ง ในชมพูทบียังไม่เคยพบใครสวยเหมือนเธอเลยพูดเท่านั้นแล้วอุปกะก็ลากลับเขาจากไปด้วยความอาลัยสุชาวดีมองอุปกะด้วยสายตาที่บรรยายไม่ถูกขันก็ขันสังเวทก็สังเวทแต่ความรู้สึกภูมิใจซึ่งซ่อนอยู่อย่างมิดเมมนั้นก็ดูเหมือนจะมีอยู่เมื่ออุปกะเลยเขตกรั้วบ้านไปแล้ว นางจึงวิ่งเข้าห้องนอนหยิบกระจกสองหน้าขึ้นมาดูเออเราสวยจริงสินะนางเปลยกับตัวเองพลางสำรวจไปทั่วสารพางอย่างนี้เองผู้หญิงคงเป็นผู้หญิงอยู่นั่นเองไม่ว่ามหาราชินี หรือคนหักฟืนขายเมื่อถูกชมว่าสวยก็อดลิงโลดไม่ได้เธอปักใจเสียเหลือเกินว่ารูปของเธอเป็นทรั์แต่ความจริงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นมีสตรีมากหลายที่ก้าวขึ้นสู่ความรุ่งโรดเพราะรูปงามโกกีลานังสัตทังรูปังนกโกกีลาสำคัญที่เสียงนารีรูปัง สุรูปรตานารีสําคัญที่รูปวิชารูปังปุริสาหนังบุรุษสําคัญที่วิทยาคุณขมารูปังตปสินังนักพรตสําคัญที่อดทนถ้าสามอย่างถูกต้องเรื่องนารีสําคัญที่รูปจะผิดไปได้อย่างไร แต่นารีที่ทรงโฉมสักรานตานั้นถ้าไร้เสียแล้วซึ่งนารีทำเธอจะเป็นสตรีที่สมบูรณ์ได้หรือเหมือนดอกไม้งามแต่ไร้กลิ่นใครเล่าจะยินดีเก็บไว้ชมเฉยของจะมีค่าต่อเมื่อมีผู้ต้องการวันนั้นสุชาวดีมีความสุขสดชื่นรื่นเริงไปทั้งวันแต่เธอหารู้ไม่ว่าขณะเดียวกัน อุปกะกำลังเศร้าซึมอยู่ที่อาสมอุปกะก็เหมือนผู้ชายโง่ๆทั่วไปที่พอเห็นสตรีทำดีด้วยก็ทึกทักเอาว่าเขารักตนบัดนี้สอนกามเทศได้เสียบแทงอุปกะเสียแล้วความรักไม่เคยปราณีใครที่วเหยียบย่ำทำลายมนุษย์และสัตว์ทั่วหน้าเข้าตั้งแต่กระท่อมน้อยของขอทาน ไปจนถึงพระราชวังอันโออาของกษัตริย์ธิราชผู้ทรงศักด์กัดกินหัวใจของคนไม่เลือกว่าวัยเด็กหนุ่มสาวหรือวัยชาราใช้ดอกไม้ของมารห้าดอกเป็นเครื่องมือเที่ยวไปในคามนิคมราชธานีต่างๆดอกไม้ห้าดอกนั้นคือรูปเสียงกลิกรสและโพธพะสัมผัสทางกาย เมื่อใครลหลงไหลมืนเมาแล้วก็ห้ามหันย่ำยีจนพินาศลงบัดนี้อุปกะได้ลหลงไหลมืนเมาในพวงดอกไม้ของมานคือรูปและเสียงของสุชาวดีแม้จะไม่เคยได้กลิ่นแก้มและสัมผัสกายอย่างนี้สีอีกทำให้มีจินตนาการอันเตลิดเจิดจ้าและก็ซึมเศร้าเศ้าหมองคนที่ไม่เคยรบ ก็มักจะทนวงว่าตนกล้าคนที่ไม่เคยงานมักจะทนวงว่าตนเก่งคนที่ไม่เคยรักก็มักจะทนงว่าตนรักได้โดยไม่มีทุกข์ทั้งนี้เพราะคนประเภทแรกไม่เคยรู้กำลังของศัตรูประเภทที่สองไม่เคยรู้ความยากและความละเอียดของงานประเภทที่สเพราะไม่เคยรู้ซึงถึงกาลังของนารี จริงทีเดียวท่านกล่าวไว้ว่าพระอาทิตย์มีกำลังในเวลากลางวันพระจันทร์มีกำลังในยามราตรีแต่นารีมีกำลังทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งบนบกและในน้ำทั้งในเวหาและในป่ากว้างมิฉะนั้นแล้วทาไมเล่าขุนพลผู้เกลียงยกลเอาชนะดาสกรได้ทั้งทางบกทางน้าทั้งบนเวหาและป่าใหญ่ แต่มายอมแพ้แก่หัดน้อยที่ไกวเปลมีแต่ความงามและน้ำตาเป็นอาวุธประจำตนบางทีนักรตผู้ทรงศีลมีตบะมีอำนาจและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อถูกพิษแห่งความรักแทรกซึมเข้าสู่หัวใจโดยสตรีเป็นผู้หยิบยื่นให้ศีลก็พันเศร้าหมองตบะและอำนาจก็พลันเสื่อมวาจาศักดิ์สิทธิ์ ก็กลายเป็นกลับกอกสิ่งใดเล่าในโลกนี้จะสามารถทำลายความเข้มแข็งเด็ดเดียวของชายได้เท่ากับกำลังแห่งสตรีชายใดไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งสตรีไม่ยินดีในลาบและยศชายนั้นชื่อว่าผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นผู้ชนะโลก